สองเจ็พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุพึงเป็นผู้ไม่สอดสายจากสุและไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุพึงเป็นผู้ขนขวายในฌานตื่นอยู่โดยมากปรารบอุเบขามีจิตตั้งมั่นพึงเข้าไปตัดความตรึกธรรมที่อาศัยความตรึกและความขนองคําว่าภิกษุพึงเป็นผู้ไม่สอดสายจากสุและไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุ อธิบายว่าภิกษุเป็นผู้ส่อใจจากสุเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีตาลอกแลกเขาเป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นคนมีตาลอกแลกด้วยคิดว่ารูปที่ยังไม่เคยดูเราควรดูรูปที่เราเคยดูแล้วควรผ่านไปเลยจึงเป็นผู้ขวนขวายการเที่ยวนานและการเที่ยวไปไม่แน่นอนจากอารามหนึ่งไปสู่อีกอารามหนึ่ง จากอุทยานหนึ่งไปสู่อีกอุทยานหนึ่งจากบ้านหนึ่งไปสู่อีกบ้านหนึ่งจากนิคมหนึ่งไปสู่อีกนิคมหนึ่งจากนครหนึ่งไปสู่อีกนครหนึ่งจากรัฐหนึ่งไปสู่อีกรัฐหนึ่งจากชนบทประเทศหนึ่งไปสู่อีกชนบทหนึ่งเพื่อดูรูปภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สอดใสจักสุเป็นอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่ง ภิกษุเข้าสู่ละแวกบ้านเดินไปตามถนนไม่สำรวมเดินมองช้างมองม้ามองรถมองพลเดินเท้ามองสตรีมองบุรุษมองเด็กชายมองเด็กหญิงมองร้านตลาดมองหน้ามุกเรือนมองข้างบนมองข้างล่างมองทิศน้อยทิศใหญ่ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สอนใจจักสุเป็นอย่างนี้บ้าง อีกในหนึ่งพิกษุเห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้รวบถือเป็นผู้แยกถืออวยวะส่วนต่างๆย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสํารวมจากขุนศีึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัะครอบงําได้ย่อมไม่รักษาจากขุนศีรย่อมไม่ถึงความสํารวมในจากขุนศีรษิกษุชื่อว่าเป็นผู้สอดายจากสุเป็นอย่างนี้บ้าง อีกนายหนึ่งภิสษุเป็นผู้ขวนขวายดูการละเล่นอันเป็นฆาสศึกแก่กุศลเห็นปานนี้เหมือนสมณพราหม์ผู้เจริญบางพวกบริโภคอาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายดูการละเล่นอันเป็นฆาสศึกแก่กุศลเห็นปานนี้คือการฟ้อนการขับร้องการประคมดนตรีการดูมหรสพการเล่านิทานการเล่นปรบมือการเล่นปลุกผี การเล่นตีกลองการสร้างฉากบ้านเมืองให้สวยงามการละเล่นของคนจันทานการเล่นกระดานหกการละเล่นหน้าศพการแข่งชนช้างการแข่งม้าการแข่งชนกระบือการแข่งชนโคการแข่งชนแพะการแข่งชนแกะการแข่งชนไก่การแข่งชนนกกระทาการรำกระบี่กระบองการชกมวยมวยปล้ำการรบ การตรวจพลสวนสนามการจัดกระบวนทัพภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สอดใสจักสุเป็นอย่างนี้บ้างภิกษุไม่เป็นผู้สอดายจักสุเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้ไม่เป็นผู้มีตาลอกแลกเผอไม่เป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นคนมีตาลอกแลกด้วยคิดว่ารูปที่ยังไม่เคยดูเราควรดูรูปที่เราเคยดูแล้วควรผ่านไปเลย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 ภิกษุชื่อว่าไม่เป็นผู้สอดายจักสุเป็นอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งภิกษุเข้าสู่ละแวกบ้านเดินไปตามถนนก็สำรวมไม่เดินมองช้างไม่มองทิดน้อยทิดใหญ่ภิกษุชื่อว่าไม่เป็นผู้สอดายจักสุเป็นอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งภิกษุเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือย่อมถึงความสำรวมในจกักขุนสีชื่อว่า ไม่เป็นผู้สอดใส่จากสุเป็นอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งภิกษุเป็นผู้งดเว้นจากการขวนขวายในการดูการละเล่นอันเป็นฆาสึกแก่กุศลเห็นปานนี้เหมือนสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกบริโภคอาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วก็ไม่ขวนขวายดูการละเล่นอันเป็นฆาสึกแก่กุศลเห็นปานนี้คือการจัด ก, กระบวนทัพภิกษุชื่อว่า ไม่เป็นผู้ส่อสายจากสุเป็นอย่างนี้บ้างรวมความว่าภิกษุพึงเป็นผู้ไม่ส่อสายจากสุคำว่าและไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุอธิบายว่าภิกษุเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุคือประกอบด้วยความเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุจึงเป็นผู้ขวนขวายในการเที่ยวไปนาน การเที่ยวไปไม่มีจุดหมายแน่นอนจากอารามหนึ่งไปสู่อีกอารามหนึ่งเพื่อดูรูปภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขเป็นอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขคือประกอบด้วยความเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขภายในสังคารามไม่ใช่เพราะเหตุแห่งประโยชน์มี่ใช่เพราะเหตุแห่งกาง ร, ระทําแต่เป็นผู้ฟุ้งซ่านมีจิตใจไม่สงบ เดินจากบริเวณหนึ่งไปสู่อีกบริเวณหนึ่งจากวิหารหนึ่งไปสู่อีกวิหารหนึ่งพูดเรื่องความเจริญและความเสื่อมดังนี้ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขเป็นอย่างนี้บ้างคำว่าและไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขอธิบายว่าพึงละบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขเพอพึงเป็นผู้งด งดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่ได้แก่พึงเป็นผู้พอใจในความเหลืกเร้นยินดีในความเหลืกเร้นมันประกอบความสงบแห่งจิตภายในไม่เขินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มภูมการอยู่ในเรือนว่างมีฌานเป็นผู้ยินดีในฌาน ขนขวายในความเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวหนักในประโยชน์ของตนรวมความว่าภิกษุพึงเป็นผู้ไม่ส่อใจจากสุและไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุคําว่าพึงเป็นผู้ขนขวายในฌานในคําว่าพึงเป็นผู้ขนขวายในฌานตืรนอยู่โดยมากอธิบายว่าพึงเป็นผู้ขนขวายในฌานด้วยเหตุสองอย่างคือหนึ่ง พิสูจนเป็นผู้ประกอบเพื่อขนขวายมุ่งมั่นมุ่งมั่นเสมอเพื่อทำประชมชาญที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเป็นผู้ประกอบขนไวายมุ่งมั่นมุ่งมั่นเสมอเพื่อทำทุติยะชาญที่ยังไม่เปิดให้เกิดขึ้นเพื่อทำตติยะชาญที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่อทำจัตุตยชาญที่ยังไม่เปิดให้เกิดขึ้นรวมความว่าพึงเป็นผู้ขนขวายในชาญเป็นอย่างนี้บ้าง สองภิกษุซ่องเสพเจริญทำให้มากซึ่งปฐมฌานที่เกิดขึ้นแล้วซ่องเศพเจริญทำให้มากซึ่งทุติยฌานที่เกิดขึ้นแล้วปฏิยฌานที่เกิดขึ้นแล้วจะทุทัตฌานที่เกิดขึ้นแล้วรวมความว่าพึงเป็นผู้ขวนขวายในฌานเป็นอย่างนี้บ้างคำว่าตื่นอยู่โดยมากอธิบายว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทำเครื่องกลางกั้นด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวันคือชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทำเครื่องกลางกั้นด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีสำเร็จการนอนอย่างราชสีโดยตะแคงด้านขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะกําหนดเวลาตื่นไว้ในใจตลอดมชิมัยามแห่งราตรี ลุกขึ้นแล้วชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทำเครื่องกลางกั้นด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดปัชิมยามแห่งราตรีรวมความว่าพึงเป็นผู้ขนขวายในฌานตื่นอยู่โดยมากคำว่าปรารลอุเบคามีจิตตั้งมั่นอธิบายว่าคำว่าอุเบคาได้แก่อุเบคาคือความเพิกเฉยความเพิกเฉย อ, ยอย่างยิ่งความที่จิตสงบ ความที่จิตสังกัดความที่จิตเป็นกลางในเจตุทชัชฌานคําว่ามีจิตตั้งมั่นได้แก่ความตั้งมั่นความดํารงมั่นความไม่คลอนแคลนความไม่กัดแกว่งความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตความที่จิตไม่ซัดสายสมัฏะสมาธินสีสมาธิพละสำ ม, มาสมาธิคําว่าปรารกุเบขามีจิตตั้งมั่นอธิบายว่า ปรารบอุเบกขาในจตุทชาญมีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวมีจิตไม่ฟุ้งซ่านมีจิตไม่ซัดสายรวมความว่าปรารบอุเบกขามีจิตตั้งมั่นว่าด้วยความตรึกเก้าอย่างคำว่าความตรึกในคําว่าพึงเข้าไปตัดความตรึกธรรมที่อาศัยความตรึกและความขนองได้แก่ความตรึกเก้าอย่าง คความตรึกในกาม 2. ความตรึกในพยาบาท 3. ความตรึกในความเบียดเบียน 4. ความตรึกถึงญาติหความตรึกถึงชนบท 6. ความตรึกถึงเทพเจ้า 7. ความตรึกเกี่ยวเนื่องด้วยความเป็นผู้เอนดูผู้อื่น 8. ความตรึกเกี่ยวเนื่องด้วยลาบสักระและความสรนเสริญ 9. ความตรึกเกี่ยวเนื่องด้วยความไม่ถูกดูหมินเหล่านี้เรียกว่าความตรึกเก้าอย่างกลามสัญญาเป็นที่อาศัยแห่งกลามวิตกพยาบาทสัญญาเป็นที่อาศัยแห่งพยาบาทวิตกวิหิงสาสัญญาเป็นที่อาศัยแห่งวิหิงสาวิตกอีกในหนึ่งอวิชาอโยนิโสมนาสิการอาสมิมาณนะอโนตปะและอุทัจจะ เป็นที่อาศัยแห่งวิตกคือความตรึกความดำริทั้งหลายคําว่าความขนองอธิบายว่าความขนองมือชื่อว่าความขนองความขนองเท้าชื่อว่าความขนองความขนองมือและเท้าก็ชื่อว่าความขนองความสําคัญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควรความสําคัญในสิ่งที่ควรว่าไม่ควรความสําคัญในสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษ ความสําคัญในสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษความขนองกิริยาที่ขนองภาวะที่ขนองความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเห็นปานนี้นี้ตราเรียกว่าความขนองอีกในหนึ่งความขนองความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเพราะเหตุสองอย่างคือหนึ่งเพราะทำสองเพราะไม่ทำความขนองความเดือดร้อนจิต ใจฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเพราะทำและเพราะไม่ทำเป็นอย่างไรคือความขนองความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเกิดขึ้นว่าเราทำแต่กายทุจริตไม่ทำกายสุจริตเราทำแต่วจีทุจริตไม่ทำวจีสุจริตเราทำแต่มโนทุจริตไม่ทำมโนสุจริตเราทำแต่ปาณาติบาตไม่ทำความงดเว้นจากปานาติบาตเราทำแต่อธินนาทาน ไม่ทำความงดเว้นจากอาทินนาทานเราทำแต่กาเมสมิชฌาจาร์ไม่ทำความงดเว้นจากกาเมสมิชฌาจาร์เราทำแต่มุสาวาทไม่ทำความงดเว้นจากมุสาวาทเราทำแต่ปิสุนาวาจาไม่ทำความงดเว้นจากปิสุนาวาจาเราทำแต่พรุสวาจาไม่ทำความงดเว้นจากพุรุสวาจาเราทำแต่สัมผัสปราปะ ไม่ทำความงดเว้นจากสามภพลาปะเราทำแต่อภิชาไม่ทำอนัภิชาเราทำแต่พยาบาทไม่ทำอพยาบาทเราทำแต่มิชาทิฐิไม่ทำสัมมาทิฐิความขนองความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเพราะทำและเพราะไม่ทำเป็นอย่างนี้อีกในหนึ่งความขนองความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเกิดขึ้นว่า เราไม่ได้รักษาศีลให้บริบูรณ์เราไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหกไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องเตือนอยู่เสมอไม่มันประกอบด้วยสติสัมปชัญญะไม่เจริญสติปทานสีไม่เจริญสัมมาปทานสี่ไม่เจริญอิธิบาสสีไม่เจริญอินทรีย์ห้าไม่เจริญภละห้าไม่เจริญโขชงเจ็ดไม่เจริญอริยมรรมีองค์8 ไม่กําหนดรู้ทุก์ไม่ละทุกขสมุทยัยไม่เจริญมักเราไม่ทํานิโรธให้ประจักษ์แจ้งคําว่าพึงเข้าไปตัดความตรึกธรรมที่อาศัยความตรึกและความขนองอธิบายว่าพึงเข้าไปตัดคือตัดถอนเพิกถอนและบรรเทาทําทให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความตรึกธรรมที่อาศัยความตรึกและความขนอง รวมความว่าพึงเข้าไปตัดความตรึกธทรรมที่อาศัยความตรึกและความขนองด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุพึงเป็นผู้ไม่สอดใสจักสุและไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุพึงเป็นผู้ขนขวายในฌานตื่นอยู่โดยมากปรารบอุเบกขามีจิตตั้งมั่นพึงเข้าไปตัดความตรึกทำที่อาศัยความตรึกและความขนอง สองปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุผู้ถูกตักเตือนด้วยวาจาพึงมีสติชื่นชมทําลายความกระด้างในเพื่อนพรหมจารีพึงเปล่งวาจาเป็นกุศลไม่พึงเปล่งวาจาเกลือนขอบเขตไม่พึงคิดหาเรื่องที่จะว่ากล่าวคนคําว่าผู้ถูกตักเตือนในคําว่าภิกษุผู้ถูกตักเตือนด้วยวาจาพึงมีสติชื่นชม อธิบายว่าอุปชาอาจารย์ผู้ร่วมอุปชาผู้ร่วมอาจารย์มิตรเพื่อนเห็นเพื่อนคบหรือสหายตักเตือนว่าผู้มีอายุการกระทำของท่านนี้ไม่ควรการกระทำนี้ยังไม่ถึงแก่ท่านการกระทำของท่านนี้ไม่สมควรการกระทำของท่านนี้ไม่เหมาะสมก็พึงมีสติพอใจชอบใจเบิกบานใจอนุโมทนา ต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังคำตักเตือนนั้นเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มยังสาวชอบแต่งตัวอาบน้ำดำหัวแล้วได้มาลัยดอกบัวมาลัยดอกมะลิหรือมาลัยดอกลำดวนก็ใช้สองมือรับไว้เอาขึ้นวางไว้บนศีรษะซึ่งเป็นอวัยวะสูงสุดพึงพอใจชอบใจเบิก บ, บานใจอนุโมทนา ต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังฉันใดภิกษุผู้ถูกตักเตือนนั้นก็พึงมีสติพอใจชอบใจเบิกบานใจอนุโมทนาต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังคําตักเตือนนั้นฉันนั้นเหมือนกันสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญามักชี้โทษ มักพูดปราบไว้เหมือนผู้ชี้บอกกลุมจับและพึงคบผู้ที่เป็นบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อพบคนเช่นนั้นย่อมมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมเลยผู้ใดพึงกล่าวสอนพร่ำสอนและห้ามจากความชั่วผู้นั้นย่อมเป็นที่รักของสัตว์บุรุษทั้งหลายแต่ไม่เป็นที่รักของอสัตบุรุษทั้งหลายคําว่าภิกษุผู้ถูกตักเตือนด้วยวาจาพึงมีสติชื่นชม ทำลายความกระด้างในเพื่อนพรหมจารีอธิบายว่าคําว so ่าเพื่อนพรหมจารีได้แก่คนที่มีกรรมทางวินัยอย่างเดียวกันมีอุเทศอย่างเดียวกันมีจิตขาเสมอกันคําว่าทําลายความกระด้างในเพื่อนพรหมจารีอธิบายว่าพึ่อทาลายความเป็นผู้มีจิตถูกโทสะกระทบความเป็นผู้มีจิตกระด้างในเพื่อนพรหมจารี เพือพึงทำลายความกระด้างแห่งจิตหประการบ้างทำลายความกระด้างแห่งจิตสามประการบ้างได้แกพ่พึงทุกข์ทำลายกำจัดความกระด้างด้วยอำนาจราคะความกระด้างด้วยอำนาจโทสะความกระด้างด้วยอำนาจโมหะรวมความว่าทำลายความกระด้างในเพื่อนพรหมจารีคำว่าพึงเปล่งวาจาเป็นกุศลไม่พึงเปล่งวาจาเกินขอบเขต อธิบายว่าพึงเปล่งวาจาที่เกิดจากยานอันประกอบด้วยเหตุประกอบด้วยผลคือพึงเปล่งเปล่งออกเปล่งออกด้วยดีซึ่งวาจามีที่อ้างอิงมีจุดจบสิ้นตามการอันควรรวมความว่าพึงเปล่งวาจาเป็นกุศลคำว่าไม่พึงเปล่งวาจาเกินขอบเขตอธิบายว่าขอบเขตได้แก่ขอบเขตสองอย่าง คือหขอบเขตแห่งการสองขอบเขตแห่งศีล et ขอบเขตแห่งการเป็นอย่างไรคือพิกจุไม่พึงกล่าววาจาเกินการไม่พึงกล่าววาจาเกินขอบเขตไม่พึงกล่าววาจาเกินขอบเขตแห่งการไม่พึงกล่าววาจาที่ยังไม่ถึงการไม่พึงกล่าววาจาที่ยังไม่ถึงขอบเขตไม่พึงกล่าววาจาที่ยังไม่ถึงขอบเขตแห่งการ สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าผู้ใดเมื่อ ย, ยังไม่ถึงการอันควรผู้เกินเวลาผู้นั้นจ้อมจะถูกฆ่านอนตายอยู่เหมือนลูกนกดูเเวที่ถูกกาเลี้ยงไว้ฉะนั้นนี้ชื่อว่าขอบเขตแห่งการขอบเขตแห่งศีลเป็นอย่างไรคือบุคคลผู้กำหนัดไม่ควรกล่าววาจาผู้ขัดเครืองไม่ควรกล่าววาจา ผูหลงไม่ควรกล่าววาจาไม่ควรกล่าวเือไม่ควรพูดไม่ควรบอกไม่ควรแสดงไม่ควรชี้แจงการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบ ก, การพูดเพ้อเจ้อนี้ชื่อว่าขอบเขตแห่งศีลรวมความว่าพึงเปล่งวาจาเป็นกุศลไม่พึงเปล่งวาจาเกินขอบเขตคาว่าคนในคาว่า ไม่พึงคิดหาเรื่องที่จะว่ากล่าวคนได้แก่ประจัตพราหมณ์แพทย์สูตรครหัตบรรพชิตเทวดาและมนุษย์ภิกษุไม่พึงคิดคือไม่พึงให้เกิดเจตนาไม่พึงให้เกิดความคิดไม่พึงให้เกิดความด âm ฤไม่พึงให้เกิดมนัิการเพื่อว่ากล่าวคือเพื่อว่าร้ายเพื่อนินทาเพื่อติเตียนเพื่อความไม่สรรเสริญเพื่อความไม่ยกย่องคน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 ไม่พึงคิดหาเรื่องที่จะว่ากล่าวคนสองรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าลำดับต่อไปภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อกำจัดราคะเหล่าใดราคะเหล่านั้นคือทุลีห้าอย่างในโลกพึงปราบปรามราคะในรูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะว่าด้วยทุลีห้าอย่างคำว่าลำดับ ในคำว่าลําดับต่อไปคือทุลีห้าอย่างในโลกเป็นบทสนทิเป็นคำเชื่อมบทเป็นคำที่ทําบทให้บริบูรณ์เป็นความสัมพันธ์แห่งอักษรเป็นความชละสรวยแห่งพยัญชนะคำว่าลําดับนี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคำว่าเพือทุลีห้าอย่างได้แก่หนึ่งทุลีที่เกิดจากรูก สธทุลีที่เกิดจากเสียงสธทุลีที่เกิดจากกลิ่นสธทุลีที่เกิดจากรสห้ทุลีที่เกิดจากโพธพะอีกในหนึ่งได้แก่ทุลีที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าราคะเราเรียกว่าทุลีเราหาเรียกละอองว่าเป็นทุลีไม่คำว่าทุลีนี้เป็นชื่อของราคะ บัณฑิตเหล่านั้นละทุลีนี้แล้วย่อมอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีได้โทสะ เ, เราเรียกว่าทุลีเราหาเรียกละองว่าเป็นทุลีไม่คำว่าทุลีนี้เป็นชื่อของโทสะบัณฑิตเหล่านั้นละทุลีนี้แล้วย่อมอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีได้โมหะเราเรียกว่าทุลี เราหาเรียกละอองว่าเป็นทุลีใหม่คำว่าทุลีนี้เป็นชื่อของโมหะบัณฑิตเหล่านั้นละทุลีนี้แล้วย่อมอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีได้คำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกมนุสยโลกเทวโลกขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกรวมความว่าลำดับต่อไป คือทุลีห้าอย่างในโลกคาว่าราคะเหล่าใดในคาว่าภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อกำจัดราคะเหล่าใดได้แก่ราคะในรูปราคะในเสียงราคะในกลิ่นราคะในรสราคะในโผฏฐัพพะคาว่ามีสติได้แก่สติคือความตามระลึกถึงความระลึกได้เฉพาะหน้าสติ คือความระลึกได้ความจำได้ความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติคือสตินตีสติพะละสา ม, มาสติสติสัมโพชงเอกายนามคนิ้ตระเรียกว่าสติพิษุประกอบประกอบพร้อมดําเนินไปดําเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพียรพร้อมแล้วด้วยสตินี้ ภิกษุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสติคําว่าพึงศึกษาได้แก่สิทธาสาคือหนึ่งอธิศิละสิทธา 2. อาธอาิจิตาสิทธาสอธิปัญญาสิทธาอาธิสิณและสิทธาเป็นอย่างไรนี้ชื่อว่าอาธิปัญญาสิกขาคําว่าภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อกําจับราคะเหล่าใด อธิบายว่าบุคคลผู้มีสติพึงศึกษาทั้งอธิศีละศิกขาอธิจิตติศึกขาและอธิปัญญาศึกขาเพื่อกำจัดคือบรรเทาและสงบสลัดทิ้งระ ง, งับราคะคือราคะในรูปราคะในเสียงราคะในกลิ่นราคะในรสราคะในโผฏฐัพพะศิกขาสามนี้เมื่อพิกษุนนึกถึงชื่อว่าพึงศึกษา เมื่อทราบชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งก็ชื่อว่าพึงศึกษาเพื่อพึงประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบสมทานประพฤตริรวมความว่าภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อกําจัดราคะเหล่าใดคําว่าพึงปราบปรามราคะในรูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะอธิบายว่า พึ่งปราปรามคือยึดครองครอบงำท่วมทับรักเรึงย่ำยีราคะในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะรวมความว่าพึ่งปราบปรามราคะในรูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าลำดับต่อไปพิจุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อกำจัดราคะเหล่าใด ราคะเหล่านั้นคือทุลีห้าอย่างในโลกพึงปราบปรามราคะในรูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะสองอสพระผู้มีพระภาคตรัส ด, ดังนี้ภิกษุเป็นผู้มีสติมีจิตหลุดพ้นด้วยดีแล้วพึงกำจัดความพอใจในธรรมเหล่านี้ภิกษุนั้นเมื่อกำหนดพิจารณาธรรมโดยชอบตามการเป็นผู้มีธรรมเอกผุดขึ้น เพื่อกำจัดความมืดคำว่าเหล่านี้ในคำว่าพึ่อกาจัดความพอใจในธรรมเหล่านี้ได้แก่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะคำว่าความพอใจได้แก่ความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ความกาหนัดด้วยอานาจความใคร่ความเพลิดเพลินด้วยอำนาจความใคร่ความทยานอยากด้วยอานาจความใคร่ความเยื่อใยด้วยอานาจความใคร่ ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใคร่ความสยบด้วยอำนาจความใคร่ความติดใจด้วยอำนาจความใคร่ห่วงน้ําคือความใคร่ยีเล็กเครื่องประกอบคือความใคร่ยีเล็กเครื่องยึดมั่นคือความใคร่ยีเล็กเครื่องกั้นจิตคือความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ในกลามทั้งหลายคําว่าพึงกําจัดความพอใจในธรรมเหล่านี้ได้แก่พึงกําจัดคือขจัดและบันเทา ทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความพอใจในธรรมเหล่านี้รวมความว่าพึงกำจัดความพอใจในธรรมเหล่านี้คำว่าภิกษุในคำว่าภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีจิตหลุดพ้นด้วยดีแล้วได้แก่ภิกษุผู้เป็นกลยานปุถุชนหรือภิกษุผู้เป็นพระเสสะคำว่าเป็นผู้มีสติได้แก่สติ ความตามระลึกถึงสัมมาสติสติสัมโพชงเอกาญะมัคนี้ตรัสเรียกว่าสติพิกษุประกอบพร้อมด้วยสตินี้พิกษุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสติว่าด้วยจิตหลุดพ้นสิบสองพันคําว่าภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีจิตหลุดพ้นด้วยดีแล้วอธิบายว่าหนึ่ง จิตของพิกษุผู้บรรลุปถมฌานก็พ้นหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยดีจากนิวรณ์ทั้งหลาย 2. จิตของพิกษุผู้บรรลุทุติยฌานก็พ้นหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยดีจากวิตกและวิจารณ์ 3. จิตของพิกษุผู้บรรลุตติยฌานก็พ้นหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยดีจากวิติ 4. จิตของพิสุ ผู้บรรลุเจตุทะฌานก็พ้นหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยดีจากสุขและทุกข์ 5. จิตของพิกษุผู้บรรลุอากาสานัญญาทะนะสมาบัติก็พ้นหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยดีจากรูปสัญญาปฏิฆะสัญญานานาตสัญญา 6. จิตของพิกษุผู้บรรลุวิญญาณัญจายตนะสมาบัติจากอากาสานัญจาทตนะสัญญาเจ จิตของพิกษุผู้บรรลุอากินจัญญายตนะสมาบัติจากวิญญาณัญจายตนะสัญญา 8. จิตของพิกษุผู้บรรลุนเน ว, วสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติก็พ้นหลุดพน้นหลุดพน้ดพนด้วยดีจากอากินจัญญายตนะสัญญา 9. จิตของพิกษุผู้เป็นพระโสดาบันก็พ้นหลุดพน้นหลุดพน้ดพนด้วยดีจากสักยทิฏฐิวิจิกิจฉา สีลพตะปรามาตทิฏฐานุใสวิจิกิจฉานุใสและกิเลสที่ตั้งอยู่ฝ่ายเดียวกับวิจิกิจฉาเป็นต้นนั้น 10. จิตของภิกษุผู้เป็นพระสกะทาคามีก็พ้นหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยดีจากการมราคานุสัยปฏิคานุสัยอย่างหยาบและกิเลสที่ตั้งอยู่ในฝ่ายเดียวกับการมราคานุสัยเป็นต้นนั้น11 จิตของภิกษุผู้เป็นพระอนาคามีก็พ้นหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยดีจากการมราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์อย่างละเอียดการมราคานุสัยปฏิฆานุสัยอย่างละเอียดและกิเลส ท, ที่ตั้งอยู่ในฝ่ายเดียวกับการมราคะสังโยชน์เป็นต้นนั้น 12. จิตของภิกษุผู้เป็นพระอระหรันตก็พ้นหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยดีจากรูปราคะ อรูปราคะมานะอุทจจะอวิชามานานุใสภวราคานุัสอวิชานุัสเหล่ากิเลสที่ตั้งอยู่ในฝ่ายเดียวกับรูปราคะเป็นต้นนั้นและนิมิต ท, ทั้งปวงในภายนอกรวมความว่าภิกษุเป็นผู้มีสติมีจิตหลุดพ้นด้วยดีแล้วว่าด้วยการแห่งสมถะและวิปัสสนา คำว่าตามการในคําว่าภิกษุนั้นเมื่อกําหนดพิจารณาธรรมโดยชอบตามการอธิบายว่าเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็เป็นการแห่งสมถะเมื่อจิตตั้งมั่นก็เป็นการแห่งวิปัสสนาสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าโยคีใดยกจิตไว้ในการหนึ่งข่มจิตในอีกการหนึ่งทําจิตให้เรื่อนเริงตามการตั้งจิตให้มั่นในการ เพ่งดูจิตตามการโยคีนั้นชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในการการยกจิตควรมีในการไหนการข่มจิตควรมีในการไหนการสำหรับทำจิตให้เรื่นเริงควรมีในการไหนและการแห่งสมถะเป็นเช่นไรบัณฑิตย่อมแสดงการสำหรับเพ่งดูจิตของโยคีไว้อย่างไรการยกจิตควรมีในเมื่อจิตย่อหย่อนการข่มจิต ควรมีในเมื่อจิตฟุ้งซ่านโยคีควรทําจิตที่ถึงความไม่แช่มชื่นให้เรื่นเริงทุกเมื่อจิตเริ่นเริงไม่ย่อหย่อนไม่ฟุ้งซ่านย่อมมีในการใดในการนั้นก็เป็นการแห่งสมถะใจพึงยินดีอยู่ภายในโดยอุบายนี้เองเมื่อใดจิตตั้งมั่นเมื่อนั้นโยคีพึงรู้จิตที่ตั้งมั่นแล้วพึงเพ่งดูจิตนักปรารถุรู้จักการ ทราบการฉลาดในการพึงกําหนดอารมณ์อันเป็นนิมิตของจิตโดยควรแก่การอย่างนี้คําว่าภิกษุนั้นเมื่อกําหนดพิจารณาธรรมโดยชอบตามการอธิบายว่าภิกษุนั้นเมื่อกําหนดพิจารณาธรรมโดยชอบว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อกําหนดพิจารณาธรรมโดยชอบว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคำว่าทำเอกผุดขึ้นในคำว่าภิกษุนั้นเป็นผู้มีทมเอกผุดขึ้นพึงกาจัดความมืด อ, อธิบายว่าผู้มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวมีจิตไม่ฟุ้งซ่านมีใจไม่ซัดสายคือสมถทะสมาธินีสมาธิพละ สัมมาสมาธิรวมความว่าเป็นผู้มีธรรมเอกผุดขึ้นคำว่าภิกษุนั้นพึงกาจัดความมืด อ, อธิบายว่าภิกษุพึงประจัดพึงกาจัดคือละบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความมืดเพราะราคะความมืดเพราะโทสะความมืดเพราะโมหะความมืดเพราะมานะความมืดเพราะทิฏฐิ ความมืดเพราะกิเลสความมืดเพราะทุจริตอันทำให้เป็นคนตาบอดทำให้ไม่มีจักษุทำให้ไม่มียานอันดับปัญญาเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความลำบากไม่เป็นไปเพื่อ น, นิพพานอธิบายคำว่าพระว่าคำว่าพระผู้มีพระภาคเป็นคำกล่าวด้วยความเคารพอีกในหนึ่งชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทาลายราคะได้แล้ว ชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำลายโทสะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำลายโมหะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำลายมานะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำลายทิฐิได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำลายเสียนน้ำได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาค พระทรงทำลายกิเลสได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระทรงจำแนกแยกแยะแจกแจงธรรมรัตนะชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระทรงทำที่สุทแห่งพบได้ชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระทรงอบรมพระวรกายแล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระ ท, ทง ร, ะ ร, ะระงอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาแล้วอีกนายหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงใช้สอยเสนาชนะที่เป็นป่าละมาะและป่าทึบอันจงังดมีเสียงน้อยมีเสียงอึ้กระทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทําการลับของมนุษย์สมควรเป็นที่เล็กเร้นจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงมีส่วนแห่งจีวรบินทบาทเสนาชนะ และคีฬานปัจจัยเพัจบริคารจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งอัทธรสธรรมรสวิมุติรสอธิศีลอธิขิดอ ธ, อ ธ, อ ธ, อธิปัญญาจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งฌานสี่อัปมัญญาสี่อรูปปัจมาบัตสี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 อภิญญาหกพุทธธรรมหกจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าพระผู้มีพระภาคนี้มิใช่พระชนนีทรงตั้งมิใช่พระชนกทรงตั้งมิใช่พระพาดาทรงตั้งมิใช่พระพคกนีทรงตั้งมิใช่มิตรและอมตะตั้งมิใช่พระญาติและผู้ร่วมสายโลหิตทรงตั้งมิใช่จมณพรามตั้งมิใช่เทวดาตั้ง คำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นวิโมกขันติกนามเป็นสัจิกาบัญญัติของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมกับการบรรลุพระสัพพัญญุตยานที่โคนต้นโพ ร, รวมความว่าภิกษุนั้นเป็นผู้มีธรรมอันเอกผุดขึ้นพึงกําจัดความมืดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุเป็นผู้มีสติมีจิตหลุดพ้นด้วยดีแล้ว พึงกำจัดความพอใจในธรรมเหล่านี้ภิกษุนั้นเมื่อกำหนดพิจรารณาธรรมโดยชอบตามการเป็นผู้มีธรรมเอกผุดขึ้นพึงกำจัดความมืดสารีปุตตะสุตานิเทศที่สิบหกจบนิเทศแห่งพระสูตรสิบหกนิเทศในอัตกระวัคจบบริบูรณ์มหานิเทศจบ